เจ้าปัญหาเจ้าก อ, อขอความยุ่งยากเจ้าตัวก่อเหตุอยู่ไม่หยุดไม่ยัง้งทั้งกลางวันกัางคืนดุนดนนั่นนงนอนเพี้นเสียจนหลับสนิทไปเท้งนั้นเพื่ออะไรถ้าไม่ใช้ใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นโลกใจะใหญ่มากน้อย เป็นเรื่องของใจไปให้ความหมายมีใจดนเดียวเท่านั้นเป็นผู้ไปให้ความหมายในสิ่งต่างๆลโลกกว้างโลกแคบสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้ไปให้ความหมายพอแล้วก็เอาความหมายนั้นม า, มายุ่งกวนตัวเองเนี่ยจึงเรียกว่าเจ้าปัญหามันอยู่ที่ใจ การที่จะแก้ปัญหาภายในใจของตนให้สิ้นสุดไปได้นี่เป็นสิ่งที่ยากถึงกับทางคนถอยหลังเลยเป็มยากความถอยหลังไปโดยที่เห็นว่ายากนั้นก็คงจะเข้าใว่ า, าหาทีง่ายทีง่ายก็เป็นเรื่องความชอบใจขอ ง, ของเจ้าของเสีย ซึ่งไม่ต้องตามเหตุตามผลมันก็เป็นไปไม่น่าอีกก็ยิ่งเป็นการเพิ่มสิ่งที่เราไม่ปริป่าทนาเข้าในหัวใจอีกนะถูเป็นศาสดาที่นำธรรมะมาสอนโลกเพื่อแก้ปัญหาภายใ น, รรใน จ, ยใจิตใจยึงต้องเป็นผู้เฉียวฉลาด มากผิดธรรมด า, าสามัญชนทั่วไปไให้เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะสั่งสอนสาตว์โลกให้เขาออเข้าใจพอพอแก้ไขตนได้เนี้ยพระองค์เองคือพระพุทธเจ้าหากไม่มีความเฉลียวฉลาดสามารถสนเต็นภูมิซึ่งควรจะแก้ปัญหาภ า, ายในพระทัยของพระองค์ได้แล้วก็ไม่ปรากฏเป็นนามศาสดาขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเลย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 ถึงการเสียสละก็ไม่มีใครจะเท่าได้แล้วเทียมเท่าได้แล้วในโลกนี้เสียสละถึงจนทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดในพระกา้ก็ยังต้องเสียสละใครมาต้องการอะไรให้ทางนั้นสิ่งอนนี้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ที่คนทั้งหลายจะทำกันได้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 เมืออย่างคนโงน่คนฉลาดจะหลอกลวงต้มถุงวิธีไหนวิธีใดได้ทั้งนั้นพ่อไม่ทราบคนมูบายของเขาคนฉลาดต้มถึงคนโง่ถึงต้มในไงก า, ารทาสอนคนโงน่สอนไดง่ายคนฉลาดมีบายกว่านี่เราเทียบ ก, กับอะไระเทียบ ก, กับกิเลสที่มีความแหลมคมมีความเฉลีวยวฉลาดกว่าเรา คิดในแย่เแย่ใดก็มีแต่เรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นหากไม่นั้นนำธรรมะเข้าไปเทียบเคียงกันแล้วเราจะไม่ทราบว่ากิเลสคืออะไรเลยแต่การมาเป็นเราจะทั้งหมดกระดิกตัวออกอาการใดก็ร้วนแย่ตั้งแต่เป็นเรื่องความสังงส่งงานสั่งการของกิเลสเลยเสียชิ้นเลยที่เราไม่รู้สึกว่าเขาสั่งงานเรานี่การที่จะทราบว่าสิ่งอย่านี้เป็นก้าสิทธ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 แม้ท่านนำอุบาสมาสั่งสอนพวกเราอยู่เช่นนี้ก็ไม่พ้นที่เราจะล้วมตัวเข้าไปอยู่ในเงื้อมือของกิเลศซึ่งเคยเชี่ยมสอนอนมานะเผลอแพกเดียวเท่านั้นมันก็เอาไปเป็นบ่อยกลางบ้านกลางเรือนมันแล้วเนี่ยถ้าเผลอจาะทำกิเรศก็คว้าถ้าตั้งมั่นอยู่ในธรรมกิเลศก็จ้อง ม, มองดูอยู่เช่านั้นเพราะมันอยู่ในฉากเดียวกัน คื อ, อยในจิตดวงเดียวกันพราะ่าหนึ่งเผลอฟ่ายหนึ่งก็ช่วยโอกาสคำว่าเผลอคืออะไรความขาดสติความขาดการใค้เควรความขาดเหตุา ข, าขาดผ ล, ดผลที่จะเล็งไปในทางที่ถูกต้องลืมไปเสียแล้วทำตามความความชอบใจของตนนั่นแหละเป็นโอกาสทั้งยี่ห้ดที่เข้าแทรกแล้วโดยเราไม่รู้สึกตัว ถึงเป็นการยากถ้าเราจะคิดในทางยากถ้าจะไคิดในทางการกระทากว่าจะได้ผลอย่างนั้นอางนั้นต้องเป็นความยากความลำบากนี่ก็เป็นอุบายของจิเตเลศที่ไม่อยากให้เราทําเช่นนั้นแล้วเราก็พร้อยตามมันเสียไม่กล้าจะทําไปให้จนเม็ดจนเหนื่อยกลัวจะลำบากลําบนเอกลัวอะไรต่ออะไรกลัวไปหมดเรื่องจิเตเรศหลอกให้กลัวกลัวไปหมดทําคือความจริงสอนไม่ไม่่มอยเชื่อ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 เขาไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราเสียถ่ายเดียวเรายังมีอยู่อีกอนนันหนึ่งฝ่ายสติปัญญากับเป็นเครื่องช่วยอีกด้านฝ่ายกิเลส ก, ก็เป็นเครื่องย่ำยีอีกด้านอ่าที่นี่แ ย, ยกจินชัยชนะกันใครมีสติปัญญามีศรัทธาความเพียรมีความมุสาพยายามยมากคนนั้นก่อนจะคว้าเอาชัยชนะมาได้นําใจที่บริสุทธิ์นั้นมาครอง ถ้าใครหลงกลมุบาของกิเลสก็ต้องจมไปตลอดกับตลอดกันไม่มีวันที่จะอิ่มพอในการจมไปด้วยอำ น, นาจของกิเลสนั้นนัหลัพผู้มุ่งต่อผลอันเป็นที่พอใจตนแล้วเรื่องความยากความลำบากจึงไม่ถือว่าเป็นดุลพันธก้าวเดินไปตรงนั้นเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตาย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 มันเป็หวังของตนเท่านั้นไม่เหมือ ม, มีอย่างอื่นไม่เป็นอย่างอื่นนี่แล้วก็ทราบแล้วว่าความกลัวประเภทนี้เป็นภัยต่อเราเนี่ยเมื่อทราบว่าความกลัวนี้เป็นภัยต่อเราความกล้าหาญติดขุนก็เข้าใกล้คิดติดแน่กับความกล้าหาญสู้กํามังซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันค่อยผ่านค้นกระได้โดยน้ำหนักน้ำหนนะพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์พยายาม ิพยายามค้นด้วยสกสติปัญญาของพระองค์หลายด้านหลายทางกว่าจะมาถูกทางได้เื่อนาปานสติทง่ทงกำหนด่มหายใจเข้าออกแล้วทรงคิดด้อนหลังถึงคราวที่ไปรล่นนาะขวานได้ทรงบำเพ็ญอนาปาลสตตินั้นนำการบำเพ็ญข้าวงสรงพยาานั้นมาปฏิบัติในปัจจุบันขณะที่ ทรงทาภาวนาอยู่ใต้ล่มโพกเคุณได้หลักนั้นเป็นทิฏฐิอนานามปานสติละเอียดลงเพียงไรจิตใจก็จะมีความละเอียดมีความปร่งใสการคิดค้นด้วยสติปัญญาก็มีทางที่จะคิดค้นได้ในคืนวันนั้นพระกายก็จะพูดว่าปร่งใสก็โปรองใ ส, งใสพระกายก็อ่อนเพียเต็มที่เพราะอดพระกยายฐารมาทั้งสี่สิบเก้าวัน น่เสวยในวันนั้นากายทุกส่วนก็ต้องเบาอยู่เหมาะสมที่สุดเพราะไม่ทับถมจิตใจและทรงบาเพ็ญถูกท า, างกำหนดอนาปานสติรือลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งมีความละเอียดลงไปโดยลำดับลำนับจิตที่ควรแจกปัญญาเพราะอำนาจของความสงบนั้นเป็นเพื่องสนับสนุนก็ทรงค้นปฏิจติส ม, มบาท อวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณแยกแยกกันไปที่ท่านอธิบายอวิชชาปัยาสร้างขารานี้หมายถึงท่านผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นเรื่องอวิชชาแล้วท่านพูดเรื่องราวของอวิชชาหากว่าเราจะไปเลียบเียงเรื่องอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเลียบเลียงจนกระทั่งวันตายก็ไม่เห็นเรื่องอวิชชาเลยอันนั้นท่านรู้แล้วท่านถึงไปเรียบเรียง ท่านผู้รู้เรื่องอวิชชาผ่านพ้นอวิชชาไปแล้วพอแยบขึ้นท่ทานเข้าใจเราจะอ่านเท่าเท่าไรเรียนก็เท่าไรก็ตามยังวิชามากี่ตู้กี่กัมภีร์ก็ตามเป็นเรื่องการส่งเสริมวิชาทั้งนั้นหาที่แก้ที่ไขไม่ได้อวิชาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารัานเป็นปัจจัยเลื่อยเป็นมันเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนกันหนุนกันมันหนุนไปจากไหนเนี่ย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 นี่หละที่เราไปเรียงอวิชัยเป็นแบบนี้เองคร<ม>ูที่จะเข้าใจเอาเหตุเอาผลจากต้นไม้เราต้องการต้นไม้ต้นนี้ต้องการมาทำอะไร<ม>ถ้าต้องการจะต้นไม้ต้นนี้มาทำบ้านทาเดือนก็โค่นลงไปแล้วจะถอนออกหมดทั้งรากแล้วก็ขุดคน้นรากแก่รากขอวตัดเข้ามาเข้ามาเข้ามาจนกระทั่งไม่มีรากไรเหลือลต้นไม้ต้นนั้นจะทนได้อย่างไง มันก็นล้มพเนรนาฏลงเท่านั้นเองแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบมีจํานวนมากงร้อยทไลายมันก็ยุบยอดและตายไปโดยกันหมดเมื่อลําต้นมันตายแล้วไม่มีที่สืบต่อเนี่แที่ว่าอวิชาปัญญาสร้างฆาลาอวิชาปัญญาก็หมายถึงต้นไม้นั่นเองที่เต็มไปด้วยหลักแก่หลักฝอยกิ่งก้านสาขามันก็แตกออกไปอวิชาปัญญาสร้างฆาลาสร้งางฆาาปาัญญาวิญญาณงานปันญเลื่อยไปไม่มีที่สุด คือมีหน้แต่หลักฟอมีต้นมีลำแล้วแบบมีกิ่งมีก้านมีดอกมีใบนุณง่ายๆว่างั้นแหละ <S <S มันอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไปจากลำต้นส่งไปทุกกิ่งทุกขแขนงมันก็ทรงตัวมันอยู่ได้เนี่ยที่เวลาทําลายก็ทําลายอย่างที่ว่านี้พอต้นมันขาดจากความสืบต่อแล้วมันจะสืบต่อไปได้ยังไงมันตายหมดกิ่งก้านสา ข, ขาดอกอะไรตายหมดอวิชชาตะเบวะเสสสริยาคายโยธาเรด่อยอวิชาดับ สังก็ดับอันนั้นก็ดับก็ดับเรื่อยเนี่ท่านพูดถึงว่าอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นกิเลสอันสําคัญนั้นดับสังขารซึ่งเป็นอวิชชาเป็นเครื่องหนุนให้เป็นกิเลสมันก็ดับวิญญาณที่เป็นพ้าให้เป็นกิเลสมันก็ดับแล้วอะไรอะไรที่พาให้เป็นกิเลสมันดับไปตามกันหมดเพราะนี้เป็นเครื่องมือของอวิชชาทั้งนั้นไม่ใช่อวิชชาจะเป็นเครื่องมือของมันออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยทางกายนี้แต่ทางเดินของอวิชชา ทังคาลาระยาบิญญาณังเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นเครื่องหมุนอวิชาอาวิชาบังคับบัญชาให้ทําให้คิดให้ตรุงให้คาดให้หมายให้สําคัญในสิ่งต่างๆท่า น, นมันออกมาจากอาวิชาคน้นเข้าไปถึงตัววิชาแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีปัญหาอะไร อ, อวิชาดับสังขารจะมีไปอย่างไรสังขาร น, นอกจากสังขารล้ ว, ลวนๆหลังสังขาปรปารหันไม่มีอะไรเป็นเครื่องบังคับบัญชาสังขาร เราทั้งหลายที่มีวิชานี่รุ่นแยกตั้งแต่สั้งขันเป็นกิเลสเนี่วิชามันก็เป็นกิเลสเพราะอาวิชชาพาให้เป็นมันจะไม่เป็นได้ยังไงเกาลูกน้องของวิชาตรงฆ่ากันลงตรงนี้ตัดกันลงตรงนี้การพิจารณาอาวิชชาดังที่เเคยอธิบายมาแล้วหลักแกวหลักฝอยเป็นยังไงว่ากันมาเรื่อยๆมันไปติดในอะไรไปสําคัญมันหมายอะไรคลี่คาดูทั้งสิ่ง น, นั้นแล้วก็ย้อนมาดูตัวผู้ไปสําคัญนั้นหมายไปคิดไปกรุงไปแต่งไปว่าดีว่าชั่ว ย้อนขอมาจนกรทาั่งเห็นความจริงว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญเป็นตัวที่โดนควนกรกวายเป็นตัวไปยึดไปถือเพราะความไม่เข้าใจพิจาราดูมันเข้าใจทั้งทางออกเห็เขาใจทั้งทางลามันก็ปล่อยมันไปเองมีการแก้ไขวิชาทั้งแก่อย่างนั้นอุบายวิธีต่างๆธรรามาฐานตั้งแต่อนาปานาติไปเป็นต้นโดยลำดับๆนี่เป็นเรื่องเรื่องแรกที่จะระงับดับอวิชชาคือกิเรธทั้งหลายที่มีภายกนจิตใจทั้งตนมากน้อยทั้งนั้น การปฏิบัติเราจะไปฆ่าเป็นหมายอย่านั้นผิดเอาจุดเฉพาะเฉพาะมันหักเตือนถึงกันหมดการพิจารณาชำนีชำนานในทางใด้พิจารณาตามความตามความเหมาะสมหรือตามความถนัดของตนเองจิตใจเมื่อถนัทถดทาถูกต้องตามอารยาศัยด้วยถูกต้องทำหลักทำด้วยแล้วก็ย่อมมีความสงบลงได้ใจจะพุ่งเสือผลไปพุ่งเสือผลไปเทียงไรก็าตามเมื่อได้รับ ทำที่ถูกต้องและมีการบังคับบัญชากันไว้ด้วยดีก็เข้าสู่ความสงบได้ไม่ทำเนือกเสกสารต่อไปนี่นี่เราก็เห็นผลนะเนี่ย ว, วิชาสงบตัวมัวรายสติปัญญาจะพิจาราณาเพื่อคิดค่าดูสิ่งที่จิตใจมีความคาดความหมายมีความยึดความถืออันดับแรกก็คือสกรนาักายของเราปกครองผกเวทานาสัญญาสัา ง, ขงขารนิยานนี่อันดับต่อไปก็สิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆ เมื่อมันมีถิ่นมีกั้นเมื่อมันมีรากแกว์รักฝอย ม, มีตัวสาคัญอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็ระบาดไปหมดนี่แหละจึงให้พิจารณาการพิจารณาภายนอกก็าตามพิจารณาภายในยก็าตามถ้าพิจารณาเพื่อแก้ความสงสัยเป็นมรกได้ทัฉงนั้นคือทางดําเนินก็ถอดถอนกิเลสเช่นสังสอนั่นไปอยู่ ป, าป่าช้าแต่ยังไงถึงให้ไปอยู่ปา่าช้าไปเที่ยวปา่าช้าไปเยี่ยมปา่าช้าพอเรามาเห็นปา่าช้าภายในตัวของเราต้องไปดูที่นั่นก่อน เห็นที่ท่านแล้วก so right? ็มาเทียบเคียงกับเรื่องของเราพอเราเข้าใจเรื่องป่าช้านี้แล้วเรื่องป่าช้าภายนอกมันก็ปล่อยของมันเองแล้วเข้ามาดูป่าช้าภายในเมื่อเห็นชาติเข้าใจชัติในป่าช้าภายในคือตั้งการคนเดิงที่เต็มไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้แลมันก็ปล่อยงมันอีกเนี่ยมันจะไปไหนเมื่อมันรู้แล้วมันก็ปล่อยทั้งนั้นแหะมันไม่รู้มันจึงยึดถึงถือเราจะบังคับมันถอนทลายมันก็ถอนไม่ได้เมื่อมันยังไม่เข้าใจ ฉะนั้นจึงต้องมีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิณ้พิจารณาจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็ปล่อยแต่ได้โดยลหนักําหนักอการปฏิบัติธรรมท่านทําอย่างนั้นเราจะไปคาดไปหมายท่านผู้ใดเป็นอะไรก็ตามอย่าไปเอาสมบัติของท่านเข้ามาเป็นสมบัติของตนคือไปคาดไปหมายตามท่านเวลาไม่เป็นไปตามนั้นแล้วมันเกิดความไม่สบายใจใกําหนดพิจานาดูปัจจุบันธรรมคือความเป็นของจิตเราเนในขณะขณะ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 ถ้าใจเป็นธรรมดูอะไรมันเป็นธรรมไปหมดถ้าใจเป็นโรคดูอะไรก็เป็นโรคไปหมดเนี่ยเพรามันเป็นอยู่กับใจใจเป็นสิ่งต้องการจึงเรียกว่าเป็นเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาอยู่ที่นี่ถ้าแก้ปัญหาถูกที่นี่แล้วอะไรๆก็ถูกไปหมดถ้าแก้ปัญหามาได้ภายในภายในนี้แล้วภายในก็เป็นควันเป็นไฟไปหมดเพราะคุณนี้พาให้เป็นไฟใจพาให้เป็นไฟใจจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากสำหรับจัดและบุคคลได้หนึ่งหนึ่งการปฏิบัติศาสนาจึงต้องนุ่งลงที่ใจ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 การแสดงขึ้นมาอย่างไรเรามีสติปัญญาเรารดูตามความแสดงของมันวันนี้มีอาการเชาหมองปัญญาเรามีมีธรรมชาติอันหนึ่งที่รูวถถ้ว่าอันนั้นเชหนะามชหมองนะความชาหมองมันเป็นอันหนึง่งเราผู้มีสติปัญญาหรือมีความรู้เป็นอันหนึง่งจึงสามารถทราบความสมองนั้นได้นะให้ดูความสมองมันเกิด ข, ขึ้นมาเพราะสาเหตุอะไรให้แก้สาเหตุที่มันเกิดความสมองความสมองนี้มันกำลังนับไปเมื่อไม่มีสาเหตุเป็นเครื่องอุดหนุนนะครัมันมีความสมองมากขึ้น ถามันเศร้มองมก็เอาความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นเป้าหมายการพาาิจารณามันจะเศร้หมองไปไหนเราจะดูความเศร้าหมองนี้ด้วยความมีสติถือว่าความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นสถานที่ทํางานกาหนดดูไม่ต้องดีใจเสียใจไม่ต้องตั้งความอยากให้มันดับมันดับของมันไปเองด้วยเหตุด้วยผลของมันมันไม่ดับด้วยความอยากให้ดับนีห่หลักธรรมเป็นอย่างนั้นให้ดูเวลามันคองสายขึ้นมาก็ ให้ทราบว่ามีคือความคล่องสายมเป็นอาการอันหนึ่งของจิตที่แสดงขึ้นมาจากการชำระผลที่เกิดขึ้นมาจากการชำระกรันธรรมะระวังจิตใจทั้งตนผลจึงกลาเกิดขึ้นมาเป็นความคล่องสายความคล่องสายกับความผ้าสุขสบายมันแยกกันไม่ออกเมื่อปรากฏเป็นความคล่องสายขึ้นมาใจก็มีความสบายเมื่อปรากฏเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาใจก็รู้สึกจะเป็นทุกข์ให้เราทราบสาเหตุไว้ทั้งสองเงื่อนจะทำเป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละ ดีก็เป็นสัจธรรมทั่วก็เป็นสัจธรรมถ้าพิจารณาเป็นสัจธรรมหากเราไม่พิจารณาให้เป็นสัจธรรมอ้าวละทั่วก็มาติดดีอีกนี่แต่ในการดาเนินเราต้องถือความดีถือความสุขเป็นที่ยึดเช่นเดียวกับบันไดไปเรื่อยๆเราไม่ต้องตำหนิทางดียืดตายเหมือนเราขึ้นบันไดขึ้นไปอย่าปล่อยบันไดไม่ถึงสถานที่คนปลอยป่อยอย่าปล่อยพยายามจับให้มั่นความดีจะมีมากน้อยอย่างไรความป่องใสความ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 เป็นทางที่ถูกเป็นผลอันดีอันยึดนี้เป็นหลักไว้หากเป็นหากตายเรามีอันนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องตกใจคืออันนั้นแหละเป็นเครื่องสนัดถึงวิจิตให้ด้วยความผาสุบเย็นใจอุบายของตัญญาถือสิ่งที่มาสัมผัสถือสิ่งที่มาปรากฏเป็นเครื่องพิจรารณา เช่นความเศ้าหมองกันต้นความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ทํำไมามันเกิดขึ้นมาได้ไงมันเกิดขึ้นมาด้วยด้วยสาเหตุของมันที่ควรให้เกิดได้โดยที่เราเผลอไม่รู้สึกว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นมาได้ไงเมื่อมันปรากฏขึ้นมาถึงทราบว่านี่มันมีสาเหตุให้เกิดแล้วเพราะฉะนั้นเราจริงไม่ต้องไปเสียใจตกไบมันมีสาเหตุเราก็มีสาเหตุอันหนึ่งที่จะแก้ค่ะสาเหตุของเราคือปัญญานะ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 ค้นหาต้นเหตุมันไม่ได้เราจะดูผลของมันมีน ค, ความตั้หมองนี้มันจะไปไปแค่ไหนจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเพราะอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาในขณะนี้หรือขณะก่อนหน้า น, นี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นของกิรัง์ธรรมถาวรมาปรากฏอยู่ภายในจิตใจของเราอย่างนี้ปัญญาแทรกลงไปกำหนดลงไปพิจารณาลงไปถือนั้นเป็นเป้าหมายถือนั้นเป็นการเป็นสิ่งที่พิจารณาหรือเป็นเป็นงานที่ทามไม่นานนั้นก็สลายตัวลงไปนี่ พอนั้นสลายตัวลงไปความสว่างกระจ่างแจ้งนุ่ความเบาใจปรากฏขึ้นมาแทนที่เพราะไร้ถึงสลายก็เพราะปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและจดจ้องมองหนุยที่นั้นอาการท้องผิดที่จะไป ส, ส่งเสริมให้ความเศรมองเกิดขึ้นมันก็มีทางเลี่ยอดออกไปคิดไปสั่งสมขึ้นมาได้ความเศรหองนี่มันก็สลายตัวของมันลงไปนี่ความเศร้อมองก็ดีความถองใส่ก็ดีมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งของกิแต่ความเศร้หมองนั่นเป็นเป็นอาการที่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 สิ่งที่เราไม่ต้องการเมื่อปัญญาแทรกเข้าไปตรงนั้นมันก็ปรากฏเป็นผลขึ้นมาได้ดังที่บอกความไม่สบายใจเป็นต้นกําหนดตูความไม่สบายมันเกินมาจากไหนใครเป็นพ่อเป็นแม่ของความไม่สบายนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงไม่มีสาเหตุมันจะเกิดขึ้นมาได้ย่งไรมันต้องมันต้องมีสาเหตุนะค้นลงที่นั่นอย่าไปหมุนที่อื่นอย่าไปคิดที่อื่นอย่าไปตั้งความหมายอย่าไปตั้งความหวังอยากให้มันดับมันหายไปอันนั้นจะเกิดประโ ย, ยชน์จำผิดขังนั้นปฏิกรรมผิดทุกขงัง ปัจฉานม่นในสมหวังนี่มันจะเกิดทุกข์เพราะมันไม่ใช่ทางที่จะส่งเสริมสุขให้เกิดขึ้นมาให้เจริญยิ่งขึ้นแต่มันเป็นการเสริมทุกข์อันความปัจฉานานนี่นมันต้องให้พิจารณาแก้จิตแก่อยู่ตรงนี้อนะ่ะพิจารณาอาการของจิตมันมีอาการอยู่ตลอดเวลาคิดนั้นคิดนี้ปัญญาก็ค่อยสอดแทรกค่อยสังเกต ด, ดูอยู่เสมอปัญญาก็ กันเรียว่าเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นความจริงซึ่งแต่ละอย่างอย่างไม่ว่าดีว่าชัว่วเป็นความจริงด้วยกันอัญญามีหน้าที่จะพิสูจน์ดีชั่วเหล่านี้เพราะดีชัว่วนี้มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตดีก็เป็นเครื่องเป็นเสริมจิตชั่วก็เป็นเครื่องไปกดขีบังคับหรือไปทำงานจิตใจอัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนสิ่งที่เป็นภัยนั้นออกให้จิตค่อยเด่นขึ้นมาโดยลำดับลำดับ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 การสงบของมันเองเพราะใจมีต้องการสงบอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ามีสิ่งรบกวนมาให้สงบมันต้องหาความสงบไม่ได้ท่องเที่ยวอยู่ภายในขันนี่ถ้าก็ความไม่สะดวกปรากฏขึ้นภายในใจอยากคิดออกไปข้างนอกอยากไปหลังน้นหลังนี้มันจะเป็นเครื่องหลอกไปอีกให้เป็นการเสริมความไม่สบายใจนี้ขึ้นอีกดูอยู่ภายในขันรูป คือตายของเราทุกส่วนทา่านเรียกว่ารูปมันก็เป็นรูปตั้งแต่วันเกิดมาเนี่จะให้มันเป็นอะไรอีกเนี่ยเวทนาความสุขความทุกข์ควา ม, วา ม, มเฉยมันก็เกิดกระดับของมันสับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปกันมาอย่างนี้ตั้งแต่วันเราเกิดมาในทางร่างกายก็ดีในทางจิตใจก็เช่นเดียวกันคือเวทนาได้มีได้ทั้งทางกิตและทางกาย สัญญาความจําก่อนจำไปอยู่อย่างนั้นน่ะจําอยู่ตลอดเวลาจําได้หายไปจําได้หายไปเอาสาระแข็งสารอะไรก็มันได้ขันยินยันมันลักษณะอาการของมันมีความเกิดความหนักดุอย่างนั้นอาจจะไปถืออะไรกับสิ่งเหนี้แต่อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องพิจารณาเป็นหินลับปัญญาเจขอเราก็ ม, มีความโปร่งใสเพราะใจไม่ใช่ขัน ใจเป็นใจรู้เป็นรู้เราจะเห็นได้ชัดกระตันเมื่อจิตมันปล่อยขันแล้วทุกขันเลยเราจะบังคับให้เป็นอันเดียวกันได้ย่งไเมื่อจิตก็เป็นจิตขันก็เป็นขันมันขาดจากการอย่างไปจากใจนี้เราจะไปว่าอันเดียวกันได้อย่างไนี่เป็นสิ่งที่เราพูดกันได้อย่างเป็นปากสาหรับผู้รู้แล้วกันเรา อ <laughs> ๋อทังไม่ได้หไม่ว่าังไหม